โทษของการเป็นผู้ฆ่าทุกทางใจจิตที่เป็นปกติสุขไม่อาจคิดลงมือฆ่าการจะเอาชีวิตใครได้ต้องใช้จิตที่เป็นทุกเท่านั้นเพราะส่วนลึกรู้อยู่ว่าเป็นเรื่องผิดเป็นเรื่องน่าเศร้าใจแม้แต่มดตัวน้อยก็ดิน้นรนเอาชีวิตรอดยามจวนตัวอยากดำรงสภาพของตนเองจนกว่าจะถึงอายุข การตัดสิทธ์ในการดำรงชีวิตของผู้อื่นจึงนับเป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องเล็กแม้เขาจะอยู่ในอาตภาพเล็กเพียงใดก็ตามการตายเป็นความทุกข์ของผู้ตายถ้าเราเป็นผู้หยิบยื่นความตายให้กับเขาใจของเราจะเป็นสุขได้อย่างไรการสังเกตเข้ามาในตนเองจะทำให้เห็นทุกข์เป็นขณะขณะอย่างชัดเจนทุกข์เริ่มต้นตั้งแต่เมื่ออยากฆ่าสังเกตเข้ามาในตนเอง จะเห็นเป็นความหวั่นไหวลังเลใจกระวนกระวายกระสับกระส่ายไม่สบายตัวทุกจะทวีตัวขึ้นเมื่อตัดสินใจฆ่าจริงสังเกตเข้ามาในตนเองจะเห็นเป็นแรงดันร้อนๆอาจแน่นอยู่ในอกตลอดจนเกิดความตึงเครียดขึ้นในหัวต่อให้ภายนอกดูนิ่งก็คล้ายมีลูกฝ่ายวิ่งพล่านอยู่ข้างในทุกจะทวีตัวขึ้นถึงขีดสุดเมื่อลงมือฆ่า สังเกตเข้ามาในตนเองจะเห็นความรู้สึกเฮี้ยมเกรียมก่อตัวขึ้นมากพอที่จะระงับความละอายต่อบาปลงชั่ววูบหรือดับสํานึกเมตตาปราณีลงชั่วขณะหนึ่งทุกจะไม่จบโดยง่ายแม้เมื่อฆ่าสําเร็จสังเกตเข้ามาในตนเองจะเห็นเป็นความรู้สึกผิดที่ยืดเยื้อเพราะตระหนักว่าชีวิตเมื่อตกล่วงไปแล้วย่อมไม่อาจเอากลับคืนมาได้แม้ผู้ฆ่า จะสำนึกเสียใจเพียงใดก็ตามถ้าสัตว์ที่ถูกฆ่ามีร่างจ้อยจนดูไร้ค่าเช่นมดมแมลงก็ไม่ต้องอาศัยกำลังใจในการปลิดชีวิตมากนะักทุกในขณะต่างๆจึงอาจปรากฏเป็นของเล็กเกินกว่าจะจับสังเกตได้หรือในอีกทางหนึ่งแม้ผู้ถูกฆ่าจะเป็นมนุษย์ซึ่งต้องอาศัยกาลังใจในการทาบาป ยิ่งกว่าการฆ่าสัตว์หลายร้อยหลายพันเท่าความทุกขในการลงมือฆ่าก็อาจถูกกลบเกลื่อนด้วยความพึงใจที่สามารถกำจัดปาปักได้สำเร็จความไม่เห็นค่าของชีวิตกับความสะใจที่ฆ่าสำเร็จจึงเปรียบเหมือนม่านอำพรังทุกทางใจของเราได้แต่ขอเพียงเราใส่ใจสังเกตก็จะพบว่าทุกทางใจอันเกิดจากการฆ่ายังคงเป็นความจริงอยู่เสมอ 2. การสั่งสมบาปบาปเป็นธรรมชาติฝ่ายมืดเพราะมีอิทธิพลปรุงแต่งสภาพจิตให้มัวหมองลงนั่นหมายความว่าทุกครั้งที่ทำบาปมองไปทางไหนเราจะรู้สึกว่าโลกหม่นมืดกว่าปกติเมื่อทราบว่าความมืดเป็นเครื่องหมายของบาปเราก็สามารถสารวจใจตนเองแล้วทราบได้ว่าการฆ่าเป็นบาปเพราะไม่มีการฆ่าครั้งใด ที่ทำให้จิตใจของเราสว่างขึ้นมีแต่จะหม่นหมองลงกับทั้งไม่มีแก่ใจที่จะคิดอะไรในทางดีหรือในทางที่จเจริญเอาซะเลยแรงผลักดันให้ทำลายชีวิตของผู้อื่นได้ก็คือโทสะโทสะนั้นต้องแรงเกินเมตตาทำไปมากทีเดียวจึงจะขับให้เราก่อบาปด้วยการฆ่าได้และโดยเหตุนี้เองทุกครั้งที่เราฆ่าแบบไม่ฝืนใจไม่ยังคิดไม่ยังมือจิตของเรา จึงเหมือนแปลสภาพเป็นลูกไฟแห่งความโกรธแค้นถ้าโกรธแค้นมากก็ลุกโล่งเป็นดวงไฟดวงใหญ่ยืดเยื้อยาวนานถ้าโกรธแค้นน้อยก็โชนวูบเป็นดวงไฟเล็กแล้วดับลงในเวลาอันสั้นที่น่ากลัวก็คือบาปสามารถสั่งสมตัวได้นั่นหมายความว่ายิงฆ่าสำเร็จมากขึ้นเท่าไหร่ใจก็ยิงเราร้อนมากขึ้นเท่านั้นมองไปทางไหนอะไรต่ออะไร ดูขวางหูขวางตาหน้าทำลายล้างไปสหมดใครพูดผิดหูนิดเดียวใจเราจะนึกถึงการลงมือประทุษร้ายเขามากกว่านึกถึงการคุยกันดีๆ ด, ด้วยเหตุด้วยผลแม้ตบยุงสักตัวมือของเราก็ได้ชื่อว่าเป็นเครื่องประหารแล้วและใจของเราก็นับว่าเปื้อนบาปแห่งการฆ่าแล้วเช่นเดียวกันฉะนั้นยิ่งตกยุงบ่อยเราก็ยิ่งหุดหงิดราคาญง่ายและใจ ก็ทําตัวคล้ายหลุมดาที่ดึงดูดยุงเข้ามาหาตัวถี่ขึ้นถี่ขึ้นจนน่าประหลาดใจและในที่สุดยุงในการรับรู้ของเราก็กลายเป็นเครื่องหมายเตือนให้นึกถึงการเข็นฆ่าได้ทีเดียวความคิดในทางทําลายจะลดความฉลาดในการหาวิธีป้องกันเราจะไม่รู้สึกผิดและย้ําบอกตัวเองว่าสมควรแล้วสมควรแล้วกระทั่งบาปพอกพูนขึ้นจนหนา รู้สึกด้านชากับการฆ่าสิ่งมีชีวิตระดับเล็กถึงจุดนั้นเราจะพร้อมฆ่าสิ่งมีชีวิตที่ระดับใหญ่ขึ้นด้วยความรู้สึกว่าสมควรแล้วในทางใดทางหนึ่งเช่นเดียวกันฉะนั้นเพียงไม่ตั้งใจไว้ก่อนว่าจะเว้นขาดจากการฆ่าก็นับว่ามีโทษแล้วเพราะเมื่อถูกรบกวนให้เกิดโทสะอย่างแรงกล้าเมตตาทำดั้งเดิมย่อมลดระดับแทบไม่เหลือยังผลให้สติ คล้เรียนลงเปิดช่องให้โทรศัเข้าครอบงำจนโง่เขลาลงนึกว่าบาปแห่งการฆ่าเป็นสิ่งสมควรทํายิ่งกว่าบุญแห่งการไว้ชีวิต 3. ความเป็นอยู่ที่เลวร้ายไม่มีความรู้สึกผิดอันใดย่ําแย่ไปกว่าความรู้สึกผิดที่เกิดจากการฆ่าเพราะบาปข้ออื่นยังพอไถ่ถอนความรู้สึกผิดไว้เช่นขโมยสมบัติใครยังคืนได้ เป็นชูยังขอขมาได้โกหกยังสารภาพได้ติดเล่าก็ยังฝึกอดได้แต่ถ้าฆ่าใครสำเร็จแล้วเราจะเอาชีวิตที่ไหนมาใช้คืนเขาถ้าฆ่าใครแล้วรู้สึกผิดความรู้สึกผิดนั้นมักเรื้อรังหากเปรียบเป็นแผลก็หนักหนาเสียยิ่งกว่าบาดแผลทางกายหลายเท่าทีเดียวเพราะกายอาจเกิดแผลสดเพียงไม่นานก็ตกสะเก็ดรอให้เนื้อสมาน ก, กันได้ดังเดิม เรากับว่าไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นแต่แผลทางใจนั้นอันเกิดจากบาปแห่งการฆ่าจะยังคงสดใหม่อยู่เสมอตราบเท่าชีวิตของผู้ตายไม่อาจฟื้นคืนกลับมาฟังคำขอโทษจากเราได้เมื่อบาปจากการฆ่าถูกสั่งส ม, มากแล้วผู้ฆ่ายอมเลือนฐานะเป็นนักฆ่าดูเผินๆเหมือนใจเย็นกว่าคนอื่นแต่ที่แท้เลือดเย็นกว่าใครๆตหาห่าความเลือดเย็นของนักฆ่า ยอมก่อให้เกิดกระแสในตัวที่น่าพรั่นพรึงชวนให้รู้สึกอันตรายไม่ต่างจากยุงงูหรือว่าเสือแค่ได้เห็นก็นึกเกลียดนึกกลัวขึ้นมาได้ทันทีทั้งที่ยังไม่ทันจะทาอะไรให้เราด้วยซ้าการฆ่าแต่ละครั้งคือการสั่งสมความเครียดจะน้อยหรือจะมากก็ขึ้นอยู่กับว่าต้องเค้นกำลังใจขึ้นมาเปลิดชีวิตผู้อื่นมากเพียงใดความเครียดทานองนี้ ยอมกระตุ้นให้เกิดการหลั่งสารอันเป็นพิษต่อร่างกายหลายชนิดซึ่งเมื่อสังสมมากพอย่อมก่อให้เกิดโรคที่คาดเดายากจึงไม่น่าสงสัยเลยว่าเหตุใดนักฆ่าทั้งหลายจึงต้องทุรนทุรายกับสารพัดโรคร้ายราวกับถูกคุมขังและลงโทษให้ตายอย่างทรมานอยู่ในคุกแคบซึ่งก็คือร่างกายของตนนั่นเองนักฆ่าจัดเป็นพวกที่ไว้ชีวิตตนเพื่อตัดชีวิตท่าน จึงยอมได้ชื่อว่าก่อกรรมด้วยการริบอายุผู้อื่นแม้กลับใจแล้วและใช้ชีวิตที่เหลือทำบุญใหญ่เพื่อให้บาปเจือจางลงเป็นผลให้มีสิทธิ์ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ใหม่ก็ยอมถูกผลของบาปแห่งการฆ่าริบอายุเอาบ้างอาจด้วยการถูกศัตรูไล่ล่าฆ่าคืนอาจด้วยการเป็นโรคร้ายรักษาไม่หายหรืออาจด้วยการประสบอุบัติเหตุไม่คาดฝันตายดับไปสู่สุคติภูมิ เช่นมนุษยโลกเสียตั้งแต่อายุยังน้อยหากตายเยี่ยงนักฆ่าผู้ยังไม่อิ่มไม่พอกับการฆ่าฟันแต่ยังพอมีบุญพยุงไม่ให้ร่วงหล่นถึงนรกก็อาจไปสวยพบของนักฆ่าระดับเจราญฉานภูมิเช่นยุงลายงูจงอางหรือพญาราชสีสุดแต่บุญเก่าของแต่ละตนจะตกแต่งให้เป็นนักฆ่ารุ่นเล็กรุ่นกลางหรือรุ่นใหญ่ แต่หากตายเยี่ยงนัก่าที่เหี้ยมโหดไร้ความปราณีกับทั้งไม่มีบุญเก่าพอช่วยพยุงแล้วก็จัดว่ามีความเหมาะกับสภาพความเป็นอยู่อันเร่าร้อนเช่นนรกผงสถานเดียว